ลูกศิษย์วัดพนาเก่งนะพนาผู้ใหญ่ทำไมไม่ได้เลยเมื่อวานส่งกันบ้านพนาเห็นขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตต่างคนต่างทำงานไปบังคับมันไม่ได้จะกลับแย่งวันนี้อ่ส่งกันบ้านเอาทางนี้ก่อนก็ได้ มีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมเบอร์45มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับฝึกมายัางไง ฝ, ฝึกพองยุคมาครับดูพองยุบนะแล้วดูใจครับส่วนใหญ่ไปฝึกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไม่เฉพาะสำนักใดสำนักหนึ่งนะแทบทั้งหมดอะฝึกแล้วมันไปติดอยู่แค่สมถะ มันขึ้นมิปัสนาไม่ได้การจะทำมิปัสนาได้ต้องแยกรูปแยกนามได้ก่อนต้องหัดแยกรูปแยกนามรู้จักสภาวะของรูปสภาวะของนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมอเราสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวด้วยใจที่เป็นกลางได้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเราจึงจะขึ้นมิปัสนาได้มิปัสนาคือการเห็นตามความเป็นจริง เราจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้เห็นจิตใจตามความเป็นจริงได้ใจต้องตั้งมั่นถ้าขาดสามมาสมาธิรือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยนี่ส่วนใหญ่พวกเราเรียนเนี่ยจะขาดสัมมาสม า, สมาธิเราชอบมีแต่สตินะกำหนดลงไปกาหนดลงไปใจไหลลงไปเกาะอยู่ที่ท้องกําหนดลมหายใจใจไปเกาะลมหายใจกาหนดเท้าใจอยู่ที่เท้านะกาหนดมือใจไปอยู่ที่มือ ใจมันไหลไปตลอดใจมันไม่ตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นนนใจลงไปแช่นิ่งๆ็นได้สมถะพอนิ่งๆไปนานเดี๋ยวเกิดปิติผลลุกผลพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวเล็กตัวใหญ่เกิดรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแลบๆอะไรอย่างงี้นี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยงนนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะทไปหยุดอยูนะอย่แค่สมถะทาไมคนเราขึ้นมีศาสนาไม่ค่อยได้ เราไม่ได้เรียนจิตตสิกขาเราข้ามบทเรียนจิตตสิกขาไปบทเรียนในทางศาสนาพุทธมีสามบทนะศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาอย่างพอเราไปสมาทานศีลนล้วบอกมีศีลสิกขามันก็ไม่ใช่นะศีลยังไปขอขอเข้ามาไม่ใช่ศีลสิกขาจริงเราต้องรู้เลยว่าศีลมันเกิดจากอะไรศีลมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรมีเหตุแล้วมันเกิดมา เราเกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาเพราะมันมีสตินั่นเองมันมีสติมีฮิริโอตปะมีฮิริโอตปะก็มีศีลจิตตศิกขาก็เรียนจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามิติเรียนมีสององันสําหรับสมถายานีสงต้องทําฌานที่ถูกต้องฌานที่พวกเราส่วนมากในยุคนี้ทําไม่ใช่ฌานที่ถูกต้องอย่างเป็นนั่งแล้วเคลิงอกแงกๆอกแงเนะี่ยบอกว่าเข้าฌานไม่ใช่ น่าเราขาดสติเข้าฌานไม่ใช่ฌานเป็นองค์ทําฝ่ายกุศลนะเป็นธรรมะฝ่ายกุศลต้องประกอบด้วยสติตลอดเลยไม่งั้นขาดสติไม่ได้นี่วิธีหนึ่งนะพอทําใจเป็นฌานนะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเรียกว่ามีเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยเต็มภูมิจริงๆนะตั้งเริ่มจากฌานที่2อฌานที่หนึ่งยังไม่มีเอโกทิภาวะคือธรรมชาติรู้ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะไม่มีเพราะในฌานที่1เนี่ยนะจิตยังมีวิตกวิจารอยู่ยังตึกอยู่ยังตรึกยัย ง, ตกยงตรองในอารมณ์อยู่เมื่อจิตยังตรึกยังตรองในอารมณ์จิตก็ยังไม่เป็นผู้รู้ในอารมณ์ในฌานที่2เนะี่ยในตำราในพระสูตรถึงบอกว่ามีเอโกทิภาวะเกิดขึ้ น, นพวกเรารุ่นหลังๆเราไม่เคยได้ยินเลยว่าในฌานที่สองมีเอโกทิภาวะแล้วเราไปเรียนองค์ฌานตามตำรา สายอิธรรมสายอิธรรมตัวเอโกทิภาวะคือตัวสมาธินี่ทางทางพระสูตรนี่เอโกทิภาวะเนี่ยมันจะลงกันพอดีเลยกับใจที่ตั้งมั่นเอโกทิภาวะไม่ใช่ตัวที่เป็นใจหรอกคือใจมันมีความเป็นหนึ่งประกอบด้วยองค์ธรรมจานวนมากเลยประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยหลายตัวใจเป็นหนึ่งแล้วพอเราออกจากฌานนี้มาเนี่ยกำลังของฌานมันหนุนอยู่ ยังไม่หมดทีเดียวมันจะมีตัวผู้รู้ติดตัวออกมาอยู่ในโลกข้างนอกนี้คราวนี้เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนั้นเราจะเห็นฉับพลันนั้นเลยเห็นทันทีเลยว่าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายกับจิตเนี่ยคนละส่วนกันนั้นถ้าพอมีเอโก้ที่ภาวะแล้วเราก็จะแยกรูปแยกนามได้กายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตร่างกายยืนเดินนั่ ง, น, งนอนเคลื่อนไหวคูเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกวา กินอาหารขับถ่ายนี่ร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี้อยู่ต่างหากมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากแยกรูปกับ น, นามออกจยกกันได้การแยกรูปแยกนามนามรูปปริเฉษทะยานไม่ใช่แค่เห็นว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งอันนั้นมันคือการแยกรูปกับรูปไม่ใช่รูปกับ น, นามนั้นถ้าเรายังไม่สามารถมีเอโกที่ภาวะคือชาตรู้ธรรมชาติรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราไม่สามารถรู้กายได้ดีในพระพิธรรมถึงสอนว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับผู้ทรงฌานกายานุปัสสนาการรู้กายเนี่ยนะเรานึกว่าง่ายนะใครๆก็บอกว่าดูกายง่ายใน พ, พิธรรมก็บอกว่าการดูกายเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานไม่ใช่เหมาะกับคนที่ไม่มีฌานถ้าไม่มีกำลังฌานหนุนหลังในเอกที่ภาวะไม่เกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นไม่มี ใจมันจะไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เช่นไปดูท้องใจไหลไปอยู่ที่ท้องไปดูลมหายใจใจไหลไปอยู่กับลมไปดูเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าไปดูมือใจไหลไปอยู่ที่มือไปดูร่างกายทั้งร่างกายนะใจก็ไหลไปอยู่ที่ร่างกายไหลไปไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่สามารถเห็นได้ในฉับพลันนั้นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกปัญญาไม่เกิดถ้าเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาเห็นใจรัก อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใจเกิดสัมมาสมาธินะก็คือให้รู้ทันอันนี้สําหรับคนที่ทําชาญไม่ได้ส่วนใหญ่พวกเราต้องใช้วิธีนี้พวกเราหน้าตาทําชาญไม่ค่อยได้หรอกนะ mm hmm. ได้แค่ชันบ้านชาันเรือน mm hmm. วิธีที่สองนี่เป็นวิธีของมิปัสสนาญานิกคนที่เล่นชาญไม่ได้ให้รู้เข้าไปที่นิวรณ์ทั้งหลายรู้ลงไปที่จิตนี่แหละ นิวรทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูของสมาธิเป็นศัตรูของสมาธิถ้าเรามีสตริรู้ทันนิวรลงไปนะนิวรจะดับลงไปใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเช่นเรารู้ทันว่าใจเราเผลอไปใจที่เผลอไปคิดเนี่ยใจมีอุทธัจญานิวรใจเผลอไปคิดมีอุทธัจญานิวรณถ้าเรารู้ทันวับนีอุทธัจญ์ดับวับเนี่ ย, จจบบยใจจะตั้งมั่นขึ้นมาวิธีทำให้เกิดสมาธิเลยมีสองวิธีนะ วิธีหนึ่งทำฌานให้จิตจับอยู่ในอารมณ์เดียวจนไม่วกแวกไปที่อารมณ์อื่นเกิดฌานขึ้นมาแล้วก็เกิดเอโกทิภาวะขึ้นมาตัวที่เป็นผู้รู้องค์คฌานอีกวิธีหนึ่งก็คือให้รู้ศัตรูของสมาธิถ้าถ้าจิตใจเราไม่มีศัตรูของสมาธินะสมาธิจะเกิดขึ้นเองศัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์ทั้งหลายนั่นเอง ใจมีกามขึ้นมาให้รู้ทันใจมันหิวอารมณ์มันอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากเห็นรูปนี่ใจมันมีกามให้รู้ทันใจที่ดิ้นรนอยากจะดิ้นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดิ้นไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งใจที่อยากดิ้นหรือให้เห็นลงไปใจกำลังขุ่นมัวขัดเคืองอยู่รู้ทันลงไปหรือใจกำลังฟุ้งซ่านแอบหนีไปคิด ก็ให้รู้ทันหรือใจมันซึมซึมหดหูก็หให้รู้ทันหรือใจมันกําลังสงสัยว่าเอ๊ะเราจะภาวนาไงดีนะไอ้ที่ภาวนาอยู่นี้ถูกไม่ถูกนะให้รู้ทันลงไปพอเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นะนิวรณ์จะดับจิตจะเกิดสมาธิขึ้นอัตโนมัติงั้นใจจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติพวกเราหลายคนที่ฝึกกับหลวงพ่อรู้สึกไหมอย่างพอเราใจเราเผลอไปเนี่ยคือใจมีนิวรณ์เพราะเรารู้ว่าจิตเราเผลอไปเท่านะั้นมันรู้ตัวขึ้นมาเลย แต่รู้ได้ชั่วขณะเดียวนะวิธีนี้สมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นคณิกะสมาธิรู้ทีละขณะนะแล้วก็จะไหลไปอีกหรือไม่ก็ไปเพ่งเพราะฉะนั้นใะจใจจะเกิดอย่างใจมันไปเพ่งก็เพราะว่ามันรักในอารมณ์นะเรียกว่าเป็นกามฉันทะก็ได้นะยังรักในอารมณ์มันเดียวแล้วอยู่แล้วมีความสุขอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเรารู้ทันนิวรณ์นะสมาธิจะเกิดเองนี่เป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิก พระพุทธเจ้าเคยสอนไหมวิธีนี้เคยสอนลองไปดูพระสูตรที่2นะพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสูตรที่สองชื่อสามัญญผลสูตรสามัญญผลสูตรนี่เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าอาชาติศัตรูเพราะฉะั้นสูตรนี้จะต่างกับที่สอนพระพระยุกน้นเล่นชานพวกฤาษีชีไพลามาบวชซะเยอะ<ม> เ, เล่นชานท่านสอนสมถะนำมีปัตสนาสอนสมาธินำปัญญาส่วนมาก แกคารวาสแก่เจ้าฟ้าเจ้า แ, แผ่นดินเนี่ยวันหนึ่งคิดมากไม่มีเวลามาทำฌานทันสอนให้รู้กิเลสรู้นิวรณ์เข้าไปเลยนะพอรู้นิวรณ์แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยทางเดินมีสงสายเราต้องเลือกเดินสายที่เราเดินได้ไม่เลือกสายที่เดินไม่ได้เดินไม่ไหวงั้นให้เรารู้ลงไปจิตใจมีนิวรณ์อะไรรู้ทันเช่นจิตหลงไปคิดรู้ทันเราก็จะตื่นขึ้นแว บ, บหนึ่งจิตหิวอารมณ์ อ ย, อ, ยอยากรู้รูปอยากรู้กลิ่นอยากรู้รสอยากปฏิบัตนนิความอยากเกิดขึ้นเนี่มันหิวอารมณ์ให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยพอรู้ปั๊บใจจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเองไม่ต้องเจตนาตั้งแต่ตั้งชั่วขณะห้ามเสียดายนะตั้งได้ชั่วขณะก็จะดับไปเพราะเป็นได้แค่คณิกะสมาธิไม่ได้เสพเต็มภูมิของผู้ทรงฌานจะถึงอุปจาระถึงอัปปนา ถ้าจิตที่ผ่านอัปนามาแล้วได้เอโกที่ภาวะติดเนื้อติดตัวมาแล้วเนี่ยมันจะตั้งอยู่ทั้งวันเลยจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลผ่านไปเรื่อยๆโดยใจที่เป็นคนดูเนี่ยไม่เคลื่อนไหวสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ต่างหาอันนี้จะเดินไปได้เรื่อยๆนะภาวนาไปได้เรื่อยๆจนถึงระดับที่3มันจะไปเต็มภูมิอยู่ที่พระนาคามีเพราะว่าจะมา ย, ยึดมั่นอยู่ที่ตัวจิตตัวผู้รู้ตอนนั้นต้องไปจัดการตัวผู้รู้อีกรอบหนึ่ง นี่นก็พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้อันนี้คำสอนนี้สำหรับผู้ทรงฌานนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้งั้นทางเดินนะเนี่ยจิตจสิกขาเห็นไหมยุ่งยากพูดตั้งนานนี่เรื่องจิตจสิกขานะ <c oughs> พวกเราไม่ค่อยได้เรียนตัวนี้อยู่ๆเรามีศรัทธาแล้วก็ไปถือศีลห้าไว้ก่อนศีลแปดไว้ก่อนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติกำหนดรูปกำหนดนามการไปรู้รูปรู้นามนะั้นะนะเป็นปัญญาสิกขาไปอีกขั้นหนึ่ง ถ้าจิตไม่มีคุณภาพพอจะเจริญปัญญาสิกขาไม่ได้เราอย่ากเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะท่านสอนสศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาบทเรียนของท่านดีแล้วหลายคนทิ้งเอาดื้อเลยนะยังมีหน้ามาประกาศด้วยนะว่าผมจะไม่เรียนเรื่องจิตหรอกต้องเรียนเรื่องกายก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสศีลสิกขากายสิกขาปัญญาสิกขาแล้วไปจิตสิกขาทีหลังนะ ท่านสอนศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าไม่รู้เรื่องจิตจะเอเาอะไรไปภาวนามันต้องเรียนเรื <c oughs> <c oughs> ่องจิตซะให้ดีพอเรียนเรื่องจิตแล้วเนี่ยในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยบางคนเริ่มด้วยการรู้กายบางคนเริ่มด้วยการรู้จิตถ้ารู้กายถูกต้องจะรู้จิตรู้จิตถูกต้องก็รู้กายจะไม่มีสายใดสายหนึ่งเด็ดขาดเว่าตรงนี้ต้องกายล้วนๆตรงนี้ต้องจิตล้วนๆถ้ากายล้วนๆจิตล้วนๆไม่ใช่วิปัสนา มนะิภัษณนาจะเสแส้งแกล้งทำไม่ได้แล้วแต่ว่าสติจ ะ, ะระลึกรู้รูปหรือะระลึกรู้นามเ้าะระลึกรู้ของเขาเองนั้นเราต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วฟังยากนิดนึงแต่อดทนฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องก็ฟังสองครั้งสามครั้งไม่เก็บค่าฟังนะไม่ต้องตีตัวแต่ต่อไปคงต้องตีตัวเพราะล้นห้องนะนั้นเราบัาระวังเรื่องการกาหนดสติไม่ได้แปลว่ากาหนด สติคือความระลึกได้สติคือความระลึกได้คาว่ากำหนดเป็นภาษาเขมรแปลว่ากดกดขมไว้กดไว้จ้องไว้เพ่งไว้ให้มันนิ่งไม่ให้มันกระดุกกระดิกเหมือนตัวอะไรมันดิ้นอย่างนี้กดไม่ให้มันดิน้นใจมันดิน้นกดให้มันนิ่งกดลงไปที่กายกดลงไปที่ใจพอกดแล้วกายแข็งแข็งใจแข็งแข็งส่วนสติเป็นความระลึกได้ ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจสติทาหน้าที่อะไรสติทาหน้าที่อารักขาจิตอารักขาจิตใจทันทีที่สติเกิดอกุศลจะไม่เกิดทันทีที่สติเกิดกุศลจะเกิดอย่างเราจงใจกาหนดปุ๊บเนี่ยอากุศลเกิดใจมันจะเกิดความหนักแน่นแข็งซึมซือขึ้นมา ถ้ารีน่นอภิธรรมจะรู้เลยจิตที่มีองค์ประกอบของความหนักความแน่นความแข็งความซึมความทื่อเนี่ยคืออกุศลจิตนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีลาหุตาเบามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลมีกรรมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำไม่ได้อยากปฏิบัตินะถ้ายังอยากปฏิบัติอยู่เรียกว่าไม่ควรแก่การงานลงอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยเสร็จเลยเรียกว่า เดินก็เดินทรมานไปอย่างนั้นเองสติไม่เกิดจิตที่เป็นมหากุสลเนี่ยนะนอกจากมีละหูตาเบามีมุตุตานุ่มนวลมีกรรมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำไม่มีไบแอสนั่นเองมีป า, าคุณาคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่ซึมไม่ทื่อมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะ องประกอบของเขานะงั้นจิตใจของเราที่ไปภาวนาแล้วภาวนาแล้วซึมอกุศลนะไม่ใช่กุศลภาวนาแล้วเครียดอกุศลนะไม่ใช่กุศลงั้นต้องเรามัดระวังมากเลยถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องจิตให้ดีเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลเราก็เอาจิตอกุศลนี่แหละไปทํำวิปัสสนาไปกําหนดรูปกําหนดนามด้วยความเคร่งเครียดทําเท่าไหร่เท่าไหร่จิตรวมปุ๊บลงมา คงเป็นพระอริยะแล้วผ่านไปหลายหลายวันกิเลสมาเหมือนเดิมอีกแล้วรักกิเลสไม่ได้จริงหรอกเพราะมันไม่ใช่ทางมันเป็นการข่มจิตงั้นพวกเราค่อยๆฟังนะไม่เก็บค่าฟังฟังไปเรื่อยๆส่วนมากต้องฟังหลายๆครั้งเข้าใจสองครั้งสามครั้งพวกเด็กจะเข้าใจเร็วเดี๋ยววัาานหลังให้ภูมิมาเทศให้ฟังให้ผู้ใหญ่อายเลย <c oughs> เด็กมันซื่อผู้ใหญ่ไม่ซื่อ เด็กเขาซื่อตรงต่ออารมณ์ของตัวเองเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเขากระทบเขาก็กระทบตามธรรมชาติผู้ใหญ่ไม่ซื่อเริ่มดัดแปลงตั้งแต่ลงมือปฏิบัติแนละต้องทําซึมๆึมไว้ก่อนทำคลึ่มคลุมให้ดูสง่าราศีดีเป็นนักปฏิบัติ <c oughs> ผู้ใหญ่ไม่ซื่อนะเด็กมันซื่อๆมันเดินยังไงมันก็เดินอย่างนั้นมันหายใจยังไงมันก็หายใจอยู่องั้น มันจะเลี้ยวซ้ายแลขวาไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมดาเลยแล้วเด็กก็ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองเช่นเด็กอยากดูการ์ตูนเนี่ยความอยากมันโผล่ขึ้นมามันก็อยากแหละหรือว่ามันเห็นอันนี้อยากได้อยากกินใช่ไหมเด็กมันอยากกินสมมติอยากกินไอติมเนี่ยถ้าทางมันสแสดงออกเลยเห็นไหมผู้ใหญ่อยากกินแทบตายก็ต้องสมรวม <c oughs> <laughs> เวลาไปงานเลี้ยงรู้สึกไหมเมื่อไหร่มันจะเลี้ยงสตีวะมันให้ยืนดมอาหารอยู่นั่นแหละ คุยไปคุยมาต้องวางฟอร์มผู้ใหญ่มีฟอร์มนะเด็กไม่มีฟอร์มเด็กซื่อๆื่อต่อความรู้สึกของตัวเองลองสวมหัวใจเด็กแต่ไม่ใช่ว่าให้ตะกราดตะกรามเห็นอาหารก็ไปหยิบเลยนะในทางใจในทางใจให้ซื่อๆไว้ทางกายก็ต้องมีมารยาททางใจตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เข้ากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเมื่อตาหู จ, จมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแล้ว ปล่อยให้เขาเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่ไปขม่มนะไม่ใช่พอจิตหนีไปคิดก็ไปคิดหนอไม่ให้คิดห้ามนี่แทรกแสงนะไม่ซื่อต่ออารมณ์ของตัวเองต่อความรู้สึ ก, กโกรธขึ้นมากโกรธหนอจะให้หายกโกรธนี่ไม่ซื่อละแต่ถ้ากโกรธหนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นอันนี้พอใช้ได้ในเบื้องต้นพอใช้ได้เบื้องปลายใช้ไม่ได้ทันทีที่คิดว่ากโกรธหนอจิตตกจากวิปัสสนาเลย เพราะจิตรู้กับจิตคิดนี่คนละดวงกันอย่างตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตสงสัยก็ให้รู้ว่าจิตสงสัยรู้ลงไปเลยซื่อๆรู้อย่างซื่อๆผู้ใหญ่คิดมากรู้สึกไหมฟังแล้วคิดมากเด็กไม่คิดมากเพราะคิดไม่เป็นไม่มีข้อมูลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเด็กจะรู้มากกว่าคิดผู้ใหญ่มกกักจะคิดมากกว่ารู้นะนึกว่าโตขึ้นแล้วจะเก่งโตขึ้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อาการทําวิปัสสนา เคิดมากกว่ารู้เด็กมันก็รู้ๆของมันไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็เคยรู้หลวงพ่อเคยถามเด็กรู้จักความโกรธไหมรู้จักรู้จักความโลภไหมรู้จักรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันนี่ถึงคำนี้นะไม่พูดว่ารู้จักแล้วนะหันมองแม่ก่อนใช้ยักหน้ากับหลวงพ่อแค่นี้นะนิดหน่อยเกรงแม่เสียใจ แต่ถ้าถามแม่ด้วยความซื่อๆว่ารู้ไหมแต่ละวันรักลูกไม่เท่ากันแม่ก็ต้องมองลูกนะไม่จริงหรอกค่ะนะรักเท่ากันรักลูกทุกคนเท่ากันโกหกแล้วถนอมน้ำใจลูกเด็กมันจะซื่อๆ ซ, ซ, ซ, ซื่อต่อความรู้สึกของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ให้เราต้องพูดออกมาทุกคำนะหมายถึงในทางใจเนี่ยยอมรับความจริงไหมใจของเราไม่ดีได้ไหมหรือจะต้องดีตลอด ใจิตใจของเราอะ่ะเกิดราคะาโทสะมโมหะได้ไหมหรือว่าห้ามเกิดนักปฏิบัติจำนวนมากเลยนะไม่ชอบกิเลสเลยเกลียดมันไม่อยากให้มันเกิดนี่ไม่ซื่อนะพวกไม่ซื่อรู้ตัวไว้นะว่าเป็นคนไม่ซื่อนะถ้า ซ, ซื่อก็คือจิตมันจะมีราคะาโทสะมโมหะรู้ทันมันแต่ไม่ละเมิดศีลห้าคือไม่ล้นออกมาทางกายวาจาแต่ว่ารู้ทันมันไปรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ไปเก็บกดตัวเอง รู้ไปซื่อๆพอรู้ไปแล้วราคาโทสะโมหะทั้งหลายมันจะแสดงธรรมะให้ดูมันจะสอนให้เราเห็นเลยราคาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ช ต, hips, ตนอะไรของเรานี่จะเห็นอย่างนี้นะเห็นโทสะโมหะก็เห็นอย่างเดียวกันว่ามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่เราเห็นสภาวะของรูปสภาวะของนามมากเข้ามากเข้า จะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเลยทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้จริงในที่สุดเราก็เกิดปัญญาถึงระดับท่าโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปจากนามด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยสิ่งทั้งหลายปรากฏการทั้งหลายของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา mm. เห็นเองนะไม่ใช่คิดนะอันนี้หลวงพ่อพูดเสยยาวเนี่ยไม่ใช่พูดให้คิดนะ แต่ว่าตอนที่ใจมันแจ้งขึ้นมามันจะเห็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นความจริงด้วยใจที่ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราไม่มีนี่แหละคือพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปตัวเราไม่มีโสดาบันรู้นิดเดียวแค่นี้เพราะฉะั้นเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะเกินพระโสดาบันสิ่งที่เรารู้เยอะเกินนั้นเฟือเฟืนะเป็นเนื้องอก ให้รู้ลงในกายรู้ลงในใจจนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยรู้ลงไปแค่นี้เองวิธีรู้ต้องรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเป็นแค่ผู้สังเกตการจิตที่มีเอโกทิภาวะเนี่ยจะเปลี่ยนสภาวะจากผู้กระทำนะมาเป็นผู้สังเกตการเปลี่ยนจากผู้กระทามาเป็นผู้สังเกตการนั้นมันจะเป็นการตามดนะูร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดู ราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นมาจิตใจก็แค่เป็นคนดูไม่ได้เข้าไปร่วมในปรากฏการันั้นเหมือนดูอยู่ห่างๆไม่มีส่วนได้เสียดูอย่างนี้ปัญญาถึงจะเกิดเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทนอยู่ในภาวะอันเดนหนึ่งนานๆไม่ได้ถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงดับสลายไปทั้งหมดทั้งสิ้นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลนกุศลก็ชั่วคราว จะเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่เพ่งเพงเพ่งจิตรวมรูปแล้วบอกบรรลุอะไรไม่บรรลุดอกบรรลุโมหะนะบรรลุโมหะนะในขณะที่เกิดอริยามรรคมีจิตนะไปสําคัญผิดว่าเวลาจิตรูปหมดความรู้สึกแล้วคือบรรลุมรรคผลในขณะที่เกิดอริยามรรคมีจิตชื่อมรรคจิตมีทั้ง20ชนิดนีในขณะที่เกิดผลมีจิต20ชนิดเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเกิดอริยมรรคก็ไม่มีจิตเกิดอริยผลก็ไม่มีจิตเพราะว่าไปรู้นิพพานถ้าไปรู้นิพพานโดยไม่มีจิตแล้วใครจะไปรู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตที่ใจไปรู้เข้านิพพานเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งนะเพราะฉั้นถ้าจิตดับใจดับลงไปแล้วนิพพานไม่ได้ปรากฏหรอกไม่มีให้เห็นไม่มีให้รู้ละทั้งทั้งที่นิพพานมีอยู่แต่ไม่ปรากฏให้รู้ให้เห็นเพราะไม่มีคนที่ไปรู้ไปเห็นมันดับลงไป งั้นภาวนาอย่าไปสําคัญว่าภาวนาแล้ววูบหมดสติตื่นขึ้นมาได้โสดาละวูบครั้งที่สองได้สกิทาคาวูบครั้งที่สอนาคาณนะวูบครั้งที่4ี่เป็นพระอราหันต์นะบางคนวูบมาตั้ง20 30ครั้งแล้วก็กิเลสเหมือนเดิมนั่นแหลนะอันนี้เราพูดซื่อๆนะไม่ได้ว่าอะไรกันเมื่อก่อนจะพูดเราต้องระวังมากเลยอ้อมอ้อมพร้อมพร้ อ, รอเรียบเรียบเคียงเียงพูดตรงตรงไม่ได้กลัวโกรธ ตอนนี้ลหลวงพ่ออยากให้โกรธโกรธบ้างอะ่ะจะได้น้อยๆหน่อ ย, อยจะเหลือแต่ที่ทนได้จริงๆทนการทุบได้จริงๆอะ่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนะเราจะนวดจะไม่ประคบประงมแล้วนะจะนวดเหมือนช่างปั้นหม้อที่นวดดินเลยทุบแล้วทุบอีกใครทนได้ก็ได้แก่นท่นบอกงนี้ใครทนไม่ได้ก็ไปลหลวงพ่อไม่ได้เชิญมาเราไปต้องใช้วิธีนี้สกรีนเผนะื่อจะน้อยน้อยๆแล้วคุณภาพจะดีนะ คุณภาพจะดีแต่ถึงเยอะอย่างนี้ก็ถ้าตั้งใจฟังละมานาตาสาร ะ, ะความคิดความเห็นเดิมๆซะทำใจให้เหมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าไม่ใช่ถ้วยชาที่มีน้ำชาเต็มแล้วเปิดใจเรียนรู้ไปนะแปบ๊บเดียวก็เข้าใจมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาแบบเครียดมาเลยนเะขาน่าแบบของคุณนะแต่เหนือชั้นกว่าคุณเยอะเลย <laughs> เครียดสุดๆแล้วใกล้จะแตกแล้ว <laughs> หลวงพ่ออธิบายยังไงนะ ใจรับไม่ได้เสร็จแล้วหลวงพ่อขอร้องบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อขอเวลาเดือนหนึ่งลองทําตามที่หลวงพ่อบอกสักเดือนหนึ่งได้ไหมลืมของเก่าชุกขล่าวนะถ้าหนึ่งเดือนนี้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็กลับไปทําอย่างเดิมเถอะไม่ต้องมายุ่งกับหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อสอนผิตนี่ถึงขนาดชวนอย่างนี้นะเพื่เชื้อเชิญแกบอกอา้าวถ้าอย่างนี้ได้คือแกมาด้วยเหตุผลทั้งนั้นเลยนั่งเถียงได้ทุกข้อเลยนะ เที่ยงจนอ้าวนาทีแล้วยังไม่จบเลยเรเลยชวนบอกขอเวลาสักเดือนหนึ่งตามดูอย่างที่หลวงพ่อบอกดูอยู่สมวันใช่ไหมมาวันแรกมาวันเสาร์พอวันจันทร์นะมาแล้วเข้าใจละเข้าใจแล้วว่าที่ทําอยู่มันพลาดตรงไหนนี่ทําอยู่คือมันไปข่มจิตตัวเองไปข่มกายข่มใจไปบังคับมันจนมันเกลื่งไปหมดเลยมันไม่ใช่การรู้กายรู้ใจแต่มันเป็นการบังคับกายบังคับใจ การบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัถฐานุโยคนะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามแต่คือสิ่งที่นักปฏิบัติชอบทำ ม, มีหลายคนนะต้องใช้วิธีขอสักเดือนหนึ่งนะ่ะจริงๆถ้าตั้งใจทำนะไม่ถึงเดือนหรอกกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้นะไม่ใช่กระจอกนะเพราะนี้เราไปก๊อปปี้พระพุทธเจ้ามา <S <S <S สติปัฏฐานเนี่ยเห็นใครๆก็สอนสติปัฏฐานใช่ไหแต่าถามว่าคีย์เวิร์ดของสติปัฏฐานอยู่ที่ไหน ตอได้ไหมแทบจะไม่ได้เลยนะคีย์เวิร์ดของสติปัฏฐานอยู่ที่คำว่ารู้นะหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ใช่ไหมหายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้นั่งก็รู้คูก็รู้เหยียดก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้มีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหก็รู้ไม่มีก็รู้ ฟุ้งซานก็รู้หดหูก็รู้จิตมีสมถะนะได้ได้อุปจาระก็รู้ได้อัปปนาก็รู้จิตเกิดอริยมรรคขึ้นก็รู้ตลอดสายของสติปัฏฐานมิได้คําว่ารู้นะของเราเติมอะไรลงไปเราเติมเพราะว่ากําหนดลงไปกาหนดรู้ก็รู้ไม่เหมือนกันนะกําหนดเนี่ยเกิดโลภเจตนาขึ้นละจงใจ ส่วนรู้นี่เกิดขึ้นเองนะเพราะจิตเกิดจิตชนิดที่เรียกว่ามหากรุสรจิตยานสัมปยุตอสังขาริกังนะถึงต้องเรียนเั้่องจิตก่อนทอํายังไงจิตจะเกิดเป็นจิตที่เป็นมหากรุส่จิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมห oh นะยานสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาได้เพราะจิตตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่แหละคือเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู หรือจเกิดปัญญาคําว่ามหากรุสุรจิตยานสัมปยุทธ์อสังขาริกังอสังขาริกังหมายถึงเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดเพราะฉะนั้นตรงที่กําหนดเนี่ยจงใจให้เกิดเป็นสะสังขาริกังไม่ใช่อสังขาริกังนี่เราไม่ได้เรียนเรื่องจิตนะเราก็เอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพเนี่ยจิตที่จงใจทําสติเนี่ย เอาไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจมันกลายเป็นการกำหนดกลายเป็นการเพ่งไปหมดเลยมันจะไม่ตรงกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยท่านให้รู้แบบเป็นวิหารธรรมเอากายเป็นวิหารธรรมเวทนาเอาจิตเอาธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าคุกตรงที่เราน้อมใจให้เกาะนิ่งๆห้ามไปเที่ยวที่อื่นต้องเกาะนิ่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นนั่นคือพาใจไปติดคุกนะ ใจไม่ได้มีวิหารธรรมแม้เรื่องสติปัฏฐานนะคำแต่ละคำเนี่ยที่ท่านพูดนะเป็นคีย์เวิร์ดทั้งนั้นเลยต้องเข้าใจทั้งสิ้นเลยไม่ใช่อยู่ๆก็มีศรัทธานะเขาเฮไปสํานักนี้ก็เฮไปนะเขาดูกายก็เฮไปเอาเพื่อนเราจะดูจิตก็เฮมาหาหลวงพ่ออะไรอย่างี้ความจริงลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวลูกศิษย์หลวงพ่อดูกายก็มีดูเวทนาก็มีมีสารพัดนะบางคนเล่นฌานทําฌานบางคนไม่ทำนันแล้วแต่จริตนิสัยของคนนะเหมือนเจะ ซื้อเสื้อก็ต้องซื้อเสื้อให้พอดีกับตัวเองไม่ใช่ว่าเสื้อตัวนี้สวยอยากทํากรรมฐานอย่างเนี้ยเสื้อตัวนี้สวยแต่เสื้อตัวนี้ไม่เท่ากับเราเสื้อตัวนี้เล็กไปเราก็ต้องไปอดข้าวก่อนจะได้ใส่ได้เสื้อตัวนี้ใหญ่ไปเราต้องไปกินข้าวเพิ่มแล้วจะได้ใส่ได้ไม่ใช่นะมิปัสสนา <laughs> ไม่ทาอย่างนั้นนะไม่เดี๋ยเฮตามคนอื่นเขาต้องดูตัวเราเองเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนในอภิธรรมในตําราจําแนกไว้ให้แล้วด้วย ในตำรับตำราจำแนกไว้แล้วคนชนิดไหนเหมาะมีปรัชนาชนิดไหนพวกที่โลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยต้องดูกายและเวทนาอันใดนหนึ่งพวกที่คิดมากวันวันก็นั่งคิดวิาพาวิจาร์นะวิจัยวิตกสุดท้ายวิกลจริตมีวินะ ว, ว, ว, ว, วิพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยเหมาะที่จะดูจิตหรือทำ จิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาไมั่แต่ละจริตมีสองอย่างกายเป็นของง่ายเวทนาเป็นของยากจิตเป็นของง่ายธรรมเป็นของยากท่านแยกอย่างนี้นะพวกเราก็ชอบมั่วว่ากายเป็นของง่ายจิตเป็นของยากแยกเอาเองท่านไม่ได้จับคู่กันอย่างนี้ท่านแยกตามจริตนิสัยก่อนพวกโลภมากก็ดูกายหรือเวทนากายเป็นของง่ายเวทนาเป็นของยากพวกคิดมาก ให้ดูจิตหรือธรรมจิตเป็นของง่ายธรรมเป็นของยาก้็ดูตามอินทรีย์ของเราเพราะงั้นถ้าพูดพื้นๆ พ, พวกเราก็ดูกายดูจิตนี่จะดูกายดูจิตนะก็ต้องมีจิตตศิกขาเรียนเรื่องจิตให้รู้เรื่องก่อนจนเกิดจิตซึ่งประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ชักชวนเวลานี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วสติเกิดเองโดยไม่ได้ชักชวนมีหลายร้อยคนนะถึงพันหรื อ, อยังไม่รู้นะไม่ได้ทําสถิติไว้แต่เยอะมาก หลวงพ่อนะพูดแบบไม่ใช่อวดอวดดีนะหายากนะคนที่ว่าจะมีสติแล้วตื่นขึ้นมาแต่ว่าคนที่เรียนที่นี่แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจํานวนไม่ถูกแล้วที่อื่นหาสักคนหนึ่งยังยากเลยนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งเพราะงั้นพักเพียนนะทนทนหน่อยตอนนี้ฟังเหมือนหลวงพ่อขี้โมนนะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้อ้วกอวดนะไม่ได้อยากให้นับถือนะแตพูดเพื่อให้ให้สังเกตนะให้ค่อยๆเรียนนะตั้งใจเรียนสักพักนึง รู้เรื่องขึ้นมาแล้วจะรู้เลยว่าอัศจรรย์จริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆความทุกข์กระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นจริงๆเห็นโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนจริงๆเห็นที่ทีเดียวอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ใช่ต้องทําหลายๆปีแล้วเห็นนะถ้าจิตใจมีสัมมาสมาธิจิตใจเกิดเอกโกทิภาวะขึ้นแล้วเห็นทันทีเลยเพราะสามัสามมาสามาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา จิตที่ไม่มีสมาสมาธิทำไงก็ไม่เห็นหรอกอาเชิญไปทานก้าวนิมนต์ครับ